เออไม่ได้เจอกันเดือนหนึ่งดส ว, วัสดีปีใหม่ไทยใช่ใไหมเบษานี่ไม่เคยได้เจอกันเลยทั้งเดือนอว่าวันเดือนที่เคลื่อนคล้อยชีวิตก็มอดม้อยทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความจริงของชีวิต ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกปีผ่านไปผ่านไปก็เรียกว่าวันเดือนที่เคลื่อนคล้อยชีวิตเราเป็นไงหมอดม้อยชีวิตเราก็หมอดม้อยทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นสัจจะของสรรพสิ่ง ที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปอย่างนี้แหละแม้แต่ชีวิตเราก็ไม่เว้นชีวิตของคนที่รักเราก็ไม่เว้นชีวิตของคนที่เรารักก็ไม่เว้นกับสิ่งที่ชื่อว่าเป็นเราก็ไม่เว้นกับสิ่งที่ชื่อว่าเป็นของเราก็ไม่เว้นอหมดม้อยไปกับการเวลาที่ผ่านมาและก็ผ่านไป อายุเท่าไรนั่นเป็นเครื่องหมายบอกว่าเราผ่านไปแล้วเท่าไรยิ่งผ่านไปเยอะก็ยิ่งเหลือน้อยเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่เนี่ยมันมีค่าเนี่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเรารู้สึกตัวว่าเรายังไม่ตายเราก็จะรู้ว่าเออมันมีค่า แต่เรากลับเอาสิ่งที่มีค่าเนี่ยไปอยู่ในธรรมชาติสายที่ชื่อว่ากิเลสสวัสดการเคลื่อนไหวชีวิตของเราในโลกเนี่ยมันมีอยู่สองสายตามธรรมชาติสายหนึ่งเรียกว่าสายกิเลสชาติอีกสายหนึ่งเรียกว่าสายธรรมชาติหรือคุณชาติไอสายกิเลสชาตินี่ก็วนว่ายเวียนมาตายเกิดมารู้ไม่เท่าไหรต่อเท่าไหร น, น, นะข้างที่ดีที่สุดของกิเลสสายกิเลสชาตินี่ เขาเรียกว่าวิวัตคามินีวิวัตคามินีคือมันเป็นไปได้ก็ที่ดีที่ถุดก็ไปสวรรค์ไปพรหมซึ่งไม่น่าไปเลยไหนกครอยากไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์มั่งมีไหมไม่กล้ายกจุดท้ายเลือกที่ไหนไม่ได้ก็านางฟ้าไว้ก่อนแต่บางคนบอกไม่เอา ไม่เอาเป็นนางฟ้าไม่เอาแล้วเข็ดทาไมอ่ะอยู่ในมนุษย์ที่ก็เป็นเมียน้อยเขาอยู่แล้วไปอยู่เป็นนางฟ้านี่เป็นเป็นนางฟ้าอยู่บนดรงสวรรค์นี่สี่ร้อยเทพบระบุ ต, ตนนึงมีมีนางระดมมีเทพมับสนอยู่สี่ร้อยห้าร้อยตนตาย <laughs> บางคนเข็ดแต่ไม่หรอกอืเรา เอาสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตไปใช้กับอะไรแค่นั้นเองถ้าเรารู้ว่าที่มันผ่านมาแล้วผ่านมาเยอะแล้วอายุห้าสิบปีแสดงว่ามันผ่านไปห้าสิปีนี่ยังเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเออชีวิตเรามันมีค่าแต่เราจะเอาสิ่งที่มีค่านี่ไปใช้กับอะไรให้มันคุ้มค่าถ้าใช้ไปอย่างเดิม ใช้ไปตามอำนาจของกิเลสชาติหาสิ่งที่ชอบแล้วก็แสวงหาได้มายุดครองแล้วก็จากกันไปได้มายุดครองแล้วก็จากกันไปหาใหม่หมดไปหาใหม่หมดไปหาใหม่หมดไปหาใหม่หมดไ ป, ดไปเอาเข้ามาสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นอย่างเดิมนี่แหละ เพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนี่ยมันจึงมีสองสายพระพุทธเจ้าสัตว์รู้เพราะว่าปล่อยให้มนุษย์วิ่งเองตามธรรมชาติของมนุษย์ไอ้ตามสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์วิ่งเองสุดท้ายไปสุดอยู่ที่ทุกข์ทั้งดีและไม่ดีที่มนุษย์ปรารถนาหาไปสุดท้ายมันจะไปสุดอยู่ที่ทุกข์และทุกคนจะต้องเจอด้วย ทุกคนจะต้องประสบพบกับความทุกข์อันนี้ว่ามันเป็นสัจจะเกิดขึ้นจริงกับทุกคนตอนนี้เราอายุน้อยกว่าใครเขาเราก็นั่งเรารู้สึกว่าเราเป็นสุขอ่าพระเราอายุมากเราก็ว่าเราเป็นทุกข์คนไม่มีปัญหาชีวิตอะไรเราก็รู้ว่าเราเป็นทุ ก, กข์พอเราพอชีวิตนี้มันแปลกอย่างพอมันเริ่มสบายที่ก็สมมุติว่ามีความสุขมันก็จะเพลิดเพลิน พพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เห็นว่ามันยังมีธรรมชาติอีกสายหนึ่งเนี่ยที่สอนกันมาทั้งหมดในพระไตรปิฎก8ปดหมืนทีพันธะธรรมขันนะ่ะมันเป็นธรรมชาติอีกสายหนึ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติแล้วเราก็สามารถที่จะนําพาชีวิตของเราไปอยู่ในธรรมชาติสายนี้ได้ไอสายโน้นกิเลสชาตินี่มันไปสุดอยู่ที่ทุกข์แต่สายคุณชาติสายธรรมชาตินี่มันไปสุดอยู่ที่ความดับทุกข์ อืมแล้วก็อยู่เกลือกกลัวเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอยู่อย่างเดิมนี่แหละแต่ไอสายโน้นมันสิ้นทุกมีสติสมาธิกันจิตออกจากความทุกได้แต่อีกสายหนึ่งมันไปนสุดอยู่ที่ทุกเรารักอันนี้ชอบอันนี้ดูที่สุดของรักอันนี้คืออะไรฮะที่สุดของรักอันนี้คืออะไรคือทุก ที่สุดของชอบสิ่งนี้คืออะไรคือทุกข์ที่สุดของคาว่าอของเราคืออะไรคือทุกข์ที่สุดของคาว่าตัวเราคืออะไรคือทุกข์ที่สุดของยศคืออะไรทุกข์อ่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์นะนะที่สุดของสามีคืออะไรเออที่สุดของภรรยาล่ะทุกข์ <urt> เ, เสียงแกนี่บอกถึงว่าแม่มันเนื้อหาสาระของทุกข์นี่ไปถึงจิตถึงใจเลยนะ อายุเท่าไหร่หกสิบสองบอกออกเสียงคําว่าทุกข์กินจิตกินใจได้ขนาดนี้ <_ d> um> ใช่ได้อ้าวจริงๆริอแต่ก่อนไม่มีรถเป็นไงทุกข์พอซื้อรถออกมาแล้วที่สุดก็รถทุกข์ไม่มีบ้านเป็นไงทุกข์พอมีบ้านเสร็จเป็นไงทุกข์อีกไม่มีคู่ครองเป็นไงทุกข์พอมีคู่ครองเป็นไง ทุกคือทุกอย่างมันไปสุดอยู่ที่ไหนนี่แหละคือกิเลสสชาติละ <c oughs> เส้นทางของกิเลสสชาติแล้วเราก็จะเป็นเล่นไปเส้นทางสายนี้นะเส้นทางสายนี้เราเดินมายาวมากอ น, นามตกัสมิงหมายความว่าหาเบื้องต้นเล็กที่สุดไม่ได้ไม่รู้ แต่ที่รู้รู้ตั้งแต่ท่านจาออกมาจากท้องแม่นะพอเราเริ่มจำความได้พอเราเริ่มเริ่มรู้เียงเริ่มรู้จักรสเปรี้ยวหวานมันเค็มหูเราเริ่มได้ยินเสียงจมูกเราเริ่มได้ดินได้ดมกลิ่นลิ้นเราเริ่มสัมผัสรสตาเราเริ่มมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กายประสาทเราพอจะสัมผัสสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้มันทำงานทันทีเลยมันไม่รอจังหวะมันไม่ติดจังหวะไอ้กีดสชารเนี่ย ตามันก็ทาไงจะให้ดูแต่รูปที่ชอบคือที่ถูกใจหูมันก็จะให้ฟังแต่เสียงที่ชอบที่ถูกใจคำว่าอริดอร่อยที่เราพูดกันทุกวันนี้มันก็คืออริดอร่อยที่ไหนที่ใจจากไหนจากสิ่งที่มันเห็นจากสิ่งที่มันได้ยินจากสิ่งที่มันได้กลิ่นจากสิ่งที่มันได้ลิ้มรสและจากสิ่งที่มันได้สัมผัส เนี่ยคำว่าอาร่อยไม่อร่อยคืออะไรคือการไม่ชอบใจจากไหนจากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่ที่ได้ยินจากสิ่งที่ดมกลิ่นจากสิ่งที่ลิ้มรสและจากสิ่งที่ได้สัมผัสได้มันเกิดการไม่ชอบใจเรียกว่าไม่อร่อยถ้าชอบใจแล้วเป็นอะไรอร่ อ, รอยอร่ อ, รอยแต่ก่อนย่อยยากนี่เราเป็นไงเป็นทุกข์แต่ถ้าอร่อยย่อยยากเนี่ย ชอบ <laughs> เอออร่อยย่อยยากหมความว่าให้มันอร่อยแล้วติดอยู่ที่ใจเรานานๆถ้าอร่อยย่อยง่ายแล้วก็มาเป๊บเดียวไปแล้วเพราะฉะนั้นความที่ใจของเราเนี่ยมันไปชอบหรือไม่ชอบนั่นคือวางอยู่ในสายของกิเลสชาติเพราะฉะนั้นพอเรารู้ตัวจำความได้สังเกต แล้วการดิ้นรนในชีวิตมาจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ชอบที่เราได้มาที่ชื่อว่าเป็นของเราทั้งหมดให้สำรวจตรวจสอบมีชิ้นไหนที่เราจะรักษาไว้ได้ตลอดไปมีชิ้นไหนที่มันจะต้องเป็นของเราตลอดไปไม่ผันเปลี่ยนแปลงพวนไปเป็นอย่างอื่นมีไหม ไม่มีแต่ทิงที่เราชอบที่ชื่อว่าเป็นของเราทั้งที่เป็นเอกสารเป็นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเราจะต้องจา ก, กมันทุกชิ้นทุกชิ้นนี่ในกิเลสชาติชาตินี้เราเป็นอย่างนี้ชาติที่แล้วเราก็เป็นอย่างนี้ชาติไหนชาติไหนเราก็เป็นอย่างนี้แต่ตายแล้วเกิดใหม่โชคดีพลอยกลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งพอออกมาจากท่อแม่ ัวขึ้นมาพอทำความได้เริ่มตาเริ่มเห็นรูปจมูกเริ่มได้กลิ่นลิ้นเริ่มได้รสหูเริ่มได้ยินเสียงกายเริ่มได้สัมผัสมันก็จะหาอะไรใจก็จะหาแต่สิ่งที่ชอบตาก็จะดูแต่สิ่งที่ชอบหูก็จะฟังแต่สิ่งที่ชอบจมูกก็จะดมแต่สิ่งที่ชอบลิ้นก็จะลิ้มแต่สิ่งที่ชอบกายก็จะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบพอเจอสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็ไม่ถูกใจ เพราะฉะนั้นทุกข์กับสุขในเส้นทางที่มันมีมาอยู่เนี่ยทุกข์กับสุขจะสลับลันเปลี่ยนกันมากับชีวิตของเราและทั้งทุกข์และสุขนั้นมันไปนสุดที่ไหนทุกสุดที่ทุกเนี่น่ะนี่คือสายของกิเลสชาตินะพระพุทธเจ้าจตรัรู้เป็นคุณชาติของธรรมชาติอีกสายหนึ่ง ธรรมชาติสายนี้เนี่ยมันจะต้องประคับประคองชีวิตเราเนี่ยให้อยู่ในเส้นทางสายนี้ให้ได้ถ้าเปรียบเส้นทางสายนี้เหมือนกับรถไฟที่ไปเชียงใหม่เราจะต้องสิ่งแรกที่สาคัญสุดเลยเราต้องตีตัวที่หัวลําโพงเพราะเราจะขึ้นที่สตกรุงเทพใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่นี่เราต้องตีตัวที่ไหนเราไปรถไฟนะเด๋ยวอย่ามาเถียงไม่เดีจะไปดอนเมืองอีกเอาไว้ไปทางเดียวกันก่อนเราจะไปรถไฟเราต้องไปตีตัวที่ ตีที่ไหนก็ได้แต่ขึ้นที่หัวลําโพงอาจจะไปตีเดี๋ยวนี้มันมีนี่ตีที่ไหนก็ได้เ๋ออนไลน์ก็ได้แต่จะต้องไปขึ้นที่หัวลําโพงด้วยการมีตั๋วหัวลําโพงเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่อา้าวอันแรกเลยเราต้องมีตัว๋วอันที่สองเราจะต้องไปขึ้นรถไฟถูกไหมให้ได้ก่อนเมื่อขึ้นรถไยแล้วนั่งให้ตลอดสายไม่ว่ามันจะไปหยุดสถานีไหนห้ามลงจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่ อันนี้คือการเดินทางถึงเชียงใหม่แต่ในเส้นทางสายนี้แม้บางครั้งเราไปไม่ถึงเชียงใหม่ขึ้นหัวลาโพงไปแล้วเราอาจจะไปลงแถวแก่งคอยสระ บ, บุรีอุตรดิตพิโลกตอนนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเราใกล้แล้วใช่ไหมขึ้นอีกไม่กี่สถานีเราก็ถึงแล้วเรียกว่ายังอยู่ในเส้นทางสายนี้ แต่แตาว่าเราจะไปเชียงใหม่นั่นแหละแต่ไปตีตั๋วนครศรีธรรมราชอา้าวขึ้นรถไฟแล้วรถไฟก็กำลังวิ่งเราก็จะไปเชียงใหม่แต่รถไฟก็วิ่งไปเรื่อยเรเราก็ยังอยู่บนรถไฟนั่นแหละยิ่งวิ่งยิ่งยังไงห่างยิ่งวิ่งยิ่งห่างเหมือนกันเลยชีวิตนี้ทุกคนเกิดมาในโลกไม่ว่าตัวโยมหรืออัตมาหรือตัวใครหญิงชายทั้งนั้นล้วนปรารถนาอะไร ความสุขกันทุกคนน่ะไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เส้นทางที่เราเดินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกภพทุกชาติเนี่ยมันไปนสุดอยู่ที่ไหนที่ทุกนั่นน่ะปลายสถานีมันอยู่ตรงนั้นแต่เราเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่เนี่ยแต่ทุกคนที่ปรารถนาเนี่ยไม่เคยปรารถนาทุกหรอกปรารถนาแต่ความสุขอย่างเดียวอันจึงทําให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะจัตรู้เส้นทางของความสุขที่แท้จริงอืม เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะเริ่มต้นการสนทนาธรรมบรรย์บรรยายธรรมกันด้วยว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือตัวเนี่ยนะในเส้นทางของความสุขคืออะไรเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าว่าเอวังนิระเยนิกิโตเราจะเหมือนถูกจับพาไปวางไว้ในนรก ถ้าเราไม่มีตัวเนี่ยเราเหมือนถูกจับออกไปวางไว้ในนรกเอวังนิรเยนิกิโต้แต่ถ้าเรามีตัวนี่อย่างน้อยที่สุดเอวังสุกเ ต, เเตนิกิโตเราก็เหมือนถูกจับไปวางไว้บนสวรรค์ลแล้วแหละเรียกว่าเป็นสุกติอย่างน้อยอ่ะและถ้าเรามีตัวนี่ เราจะอวิคาตังอนุปายาสังอป p a r e l หังกายสสะเพดาปรมรณาสุกติงปฏิกำฆาค<ม>คือถ้ารามีชุดเนี้เราจะดิเทวธรรมเบสุขขั้งวิหรารติจะอยู่เป็นสุขอืม อวิคาดังไม่คับแค้นอวิขาดังไม่เดือดร้อนอนุปยาสังไม่คับแค้นอปริมาราหังไม่เร่าร้อนกายสศเพทาปรมรนาสุขติงปฏิกังขาแม้นว่าตายแล้วก็จะไปในเส้นทางของสุขติถ้ามีชุดนี้ชุดที่จะพูดกันอยู่เนี้ยอันนี้ตัว และไอ้ไอ้ไอ้ไ อ, อ, อ้ชุดนี้ปณิธานของคนที่ชื่อว่าหาความสุขนั้นจะต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้หรอกหลายคนในอดีตแม้แต่พระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโูธิสัตว์ก็อาศัยชุดนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบางทีท่านเรียกว่าเป็นตถาคต พลังเป็นกําลังของผู้ซึ่งจะเป็นพระตถ า, าคตแล้วการที่จะไปเป็นพระอริยะบุคคลดับทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆละกิเลสอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างกลางได้เป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยก็ต้องอาศัยชุดนี้บางนั้นท่านถึงเรียกว่าเสกภะละเป็นกําลังของของพระอริยะบุคคลหรือแม้แต่ แม้แต่จะเป็นคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยชุดนี้เหมือนกันไอ้ดีจริงๆนะต้องอาศัยชุดนี้เหมือนกันอันเนี้ยที่จะพูดวันนี้ตอนเช้าๆก่อนที่เราจะมีการภาวนากันสิ่งดีๆทั้งหลายในโลกที่เราจะพูดถึงกันก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยเรื่องนี้มันพระพุทธเจ้ามองเห็นธรรมชาติใจที่มันขาดสิ่งเหล่านี้แล้วให้เราปรับจิตของเรา ให้มีสิ่งเหล่านี้เพื่อการดังกล่าวที่ว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้สวิกาตังสวิสวิกาตังสปพยาสังสัพ ป, ปริลาหังกายสาเพตาปารมรณาทุกติมปฏิกังขาจะเดือดร้อนครับแค้นเร่าร้อนแล้วตายไปก็ทุกขติทิเทวธรรมเบทุกขติ จิเทวทรรเบทุกขังวิหารติแม้อยู่ก็เป็นทุกข์ตขาดชุดเนี้ยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมีเงินมีเงินเยอะทุกขสุขทุก <laughs> มีอะไรเยอะไม่ได้หมายความว่าสุขไม่มีอะไรเป็นหลักประกันของความสุขได้ในส่วนที่เป็นวัตถุ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าเรียกหนึ่งสัทธโธโหติ 2. หิริมาโหติสโอตปีโหติสอารัฐวิโยโหติและ5ปัญญาวาโหติ ว่าพระองค์จะมาเป็นพระตถ า, าคตสําเร็จเป็นพระอาหารหันตธรรมมาสามพุทธเจ้าก็เพราะห้าอย่างนี้แหละไม่ใช่พละห้านะห้าอย่างนี้แหละแล้วการบําเพ็ญบา ร, รมีแต่ละข้อของพระองค์ตั้งแต่ทานศีลเป็นต้นมาทุกข้อที่ได้บรรลุถึงความสําเร็จได้ก็อาศัยห้าอย่างนี้แหละอเห็นคนจะเป็นพ่อที่ดีก็ต้องอาศัยห้าอย่างนี้แหละแม่ที่ดีก็ต้องอาศัยห้าอย่างนี้แหละ ลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องอาศัยห้าอย่างนี้แหละอะไรดีๆต้องอาศัยห้าอย่างนี้แหละมันถึงจะจริงขึ้นมาได้มันจึงเป็นดังตัวและที่แน่ๆเลยพระองค์ตรัสไว้นะ่ะทิเต ท, ทําเบสุ ข, ขังวิหารติเมื่ออยู่นี่จะเป็นสุขคือที่ยังไม่ตายนะอยู่ในปัจจุบันเนี้ยจะเป็นสุขอา่าวข้อแรกพระองค์ตรัสว่าสัทโธโหติคือมีศรัทธา คือมีความเชื่อมาถึงรุ่นเราเนี่ยเราก็เชื่ออะไรเยอะในใจของทุกคนเนี่ยตั้มาก็เชื่อว่าเราเชื่ออะไรเยอะเชื่อไปเยอะมากแหละหลายหลายเรื่องเฉพาะพระภิกษุในประเทศไทยนี่มีกี่องค์กี่สายเราก็เชื่อไว้เยอะแหลพะพอไปหาองค์นี้ก็ทำอย่างนี้ไปหาองค์ง น, น, งนั้นก็ทำอย่างนั้นไปหาองค์นั้นก็ทำอย่างนี้ วันดีคืนดีไม่ได้ไปหาองค์ไหนก็ไปนั่งดูดวงดูใช้ตากับอีกองคหนึ่งก็ยังทำได้เราเชื่อเยอะใช่ไห ม, มเราเชื่อเยอะแต่ในเรื่องของความเชื่อเราเกิดมาในยุคที่มีคำ ว, ว่าพุทธศาสนาเราควรจะเชื่ออะไรเราควรจะเชื่ออะไรฮะเออฮะมไม่มีรางวัลจะให้ ในเรื่องของความเชื่อทั้งหมดเราควรเริ่มต้นความเชื่อที่ไหนที่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสอย่างนี้ท่านไม่ได้ตรัสว่าด้วยความหลงตัวเองว่าท่านเก่งดีอัศจรรย์นามีพินิหารอะไไม่ใช่แต่ท่านพูดด้วยความเมตตากรุณาและสัจจะอย่างเป็นจริงว่าเมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตเราจะ มีตั๋วแห่งความสุขทันทีจะมีตัวแห่งความสุขทันทีที่เราสวดกันอิติปิโสพระคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจารณาสัมปันโดนั่นคืออะไรคือพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อเราไปตรวจสอบแล้วก็มีพระคุณจริงดังที่เราสวดกันอยู่นั่นแหละมันจึงศักดิ์สิทธิ์ นั้นเวลาเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละการที่เราเชื่อในพระพุทธเจ้าทำให้เราเกิดอะไรขึ้นฮะก็ศรัทธาก็คือเชื่ออะไรจ้ะเราเชื่อในพระพุทธเจ้าจะทาให้จิตของเราไปไงน้อมเข้าไปหาคําสอนของพระองค์ไม่ใช่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงอย่างเดียวไม่ใช่ เชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และทรงสอนอย่างนี้ใจเราก็จะน้อมเข้าไปเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอนของเรานั่นแหละมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ขมวดไว้ในคำเดียวว่าสัตโธโหติพอเชื่อในพระพุทธเจ้าอา้าวถ้าเราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าเราเป็นพ่อที่ดีได้ไหมอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ เราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าเราเป็นแม่ที่ดีได้ไหมเราก็อาจจะได้และอาจจะไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกที่ดีได้ไหมอออาจจะได้และก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมแต่เมื่อใดที่เราเชื่อในพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพ่อก็จะเป็นพ่อที่ดีทันทีเมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าผู้เป็นแม่ก็จะเป็นแม่ที่ดีทันทีเชื่อในพระพุทธเจ้าผู้เป็นลูกก็จะเป็นลูกที่ดีทันทีเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าอยู่ในหน้าที่อะไร เราจะเป็นผู้ที่ดีเพียบพร้อมในหน้าที่นันเพราะอะไรเพราะการเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นทำให้ใจเราน้อมเข้าไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราดีและเพียบพร้อมไปในทุกๆหน้าที่อังนั้นเมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันเลยจบทุทกๆสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ถ้าหลุดออกพระพุทธเจ้าเราอาจจะไปเทวดาตนใดตนหนึ่งพระภูมิเจ้าที่พระพรหมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราจะเชื่อแต่ว่าไม่แน่ที่จะให้เราดีในหน้าที่ใดๆไ ด, ๆได้แต่ถ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วนั่นคือดีแน่นอนเออดีแน่นอนมันข้อที่หนึ่งมันจึงสัทโธโหติต้องมีเชื่อให้ถึงพระพุทธเจ้านะตัวที่สองคืออะไร หิริมาโหติแต่ถ้าไม่มีสัทโธโหติหิริมาโหติเกิดยากนะตัวที่สองหิริมาโหติคือว่าต้องรู้จักละอายต่อความไม่ดีอันเกิดขึ้นแก่ตนใครไม่เคยทำความไม่ดีมั่งยกมือไม่เคยทำความไม่ดีนะทำไหม เออทำอย่าเพิ่งยกใครที่ไม่เคยไม่เคยทำความไม่ดีมีไหมไม่มีเอาใครเคยทำความดียกหมดแต่ไม่ต้องยกหรอกพระพุทธเจ้าว่าหิริมาโหติให้มีความละอายต่อความไม่ดีที่เกิดขึ้น ไอ้ความไม่ดีที่เราเคยทำจําได้ไหมลืมไปแล้วจําได้เยอะด้วยใช่ไหมเออไอ้ตอนที่เราทำนั้นเราเคยมีความละอายไหมไม่มีไม่เคยใช่ไหมอาตอนนี้เราไม่ได้ทำความไม่ดีเราเร า, เรานึกถึงความไม่ดีอันนั้นที่เราทำเราเรานึกถึงมาณนะขณะ น, นี้แล้วให้เรารู้สึกความละอายความละอายในความไม่ดีอันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีเออต้องมี ในการเดินในเส้นทางสายนี้ต้องมีความละอายต่อความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนอ้าวต่อไปโอต ป, ปีโหติต้องมีความสะดุ้งกลัวต่อความไม่ดีที่เกิดขึ้นแก่ตนหรือที่ตนกระทาที่มันปรากฏไอความไม่ดีที่เราว่าเนี่ยเราเคยมีความหวาดกลัวไหมเคยความมีความหวาดสะดุง้งต่อความไม่ดีนั้นไหมถ้า ถ้าไม่เคยสังเกตก็ให้นึกถึงความไม่ดีที่เราเคยทำนึกถึงนึกถึงแล้วก็ให้ตรวจสอบจิตเราดูเรามีความสะดุ้งกลัวไหมถ้ามันไม่สะดุ้งกลัวนะคิดอ้มากๆเห็นโทษมันมากมเห็นความกัดแย้งสมมติว่าเราทำไม่ดีไว้กับแม่เรียกว่าอักตัยูเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่เป็นแนละ้วแล้วก็ลองมานึกดูที่โอ้โหตอนนโ อ, โ อ, โอ้มันน่ากลัวมาก ดูโทษดูความเสียหายของมันจนกระทั่งมันเกิดความสะดุ้งกลัวต่อความไม่ดีอนั้นนี่เรียกว่าโอตปีโหติต้องมีมีศรัทธาโหติคือมีความเชื่อสองมีความละอายต่อความไม่ดีสามมีความกลัวต่อความไม่ดีสามข้อนี้เรียกว่าเราอยู่บนขบวนรถที่แข็งแรงหัวรถนี่เรียกว่า เป็นหัวรถที่ของสั่งมาจากนอกประกอบนอกไอ้รางที่วิ่งอยู่นี่ก็แข็งแรงแล้วโอกาสที่จะตกรางนี่ยากโอกาสที่พลัดตกนี่ยากแล้วเรียกว่าถ้าพลัดตกขึ้นมาเมื่อใดก็ไม่ถึงกับอันตรายแล้วก็อยู่อยู่ตรงนั้นอีกสักพักจะมีขบวนรถที่ดีกว่าเดิมมารับไม่ต้องถอยกลับมาวัวลำโพงอีกแล้ว เนี่ยสามตัวเนี่ยอ่าต่อมาพระพุทธเจ้าบอกอารัะวิริโยวิหรตินี่อีกตัวหนึ่งก็คือมีความความเพียรมุ่งมั่นบากบันมีความเพียรมีความมุ่งมัน่นมีความขายันมีความบากบันขยันบากบันมุ่งมัน่นอะไรก็ช่างเถอะ แต่สุดท้ายความเพียนความขยันความบากบันความมุ่งมั่นของเรานะั้นมันบากบันอะไรละในสิ่งที่ไม่ดีมันเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดความละอายและเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันจึงละมีสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นมันจึงละมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันจึงละมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันจึงละมันไม่ให้ความไม่ดีนั้นมีอำนาจเหนือใจของเรา พระโพธิสัตว์พระเจ้าเนี่ยเมื่อสมัยบำเพ็ญบา ร, รมีแรกๆเพราะอารัธวิดิโยนี่แหละวิหรติเอวิโอโหติเนี่ยกําลังของความเพียรในการบากบันที่จะกำจัดฟั่มไม่ดีเนี่ยมันมีกําลังไม่มากพอไงมันมีกําลังไม่มากพอไอสัตโทหิริมาโอตปีเริ่มมีกําลังแล้วแต่อารัธวิริโยโหติเนี่ยมันมีกําลังไม่พอเพระเาะฉะนั้นบางพระชาติ ของพระโพธิสัตว์ก่อนโน้นจึงมีการไปทุกกติจึงไปทุกกติเพิ่งมามีความบากบัน่นแบบเต็มกำลังเมื่อตอนเจอกับพระทีปังกรพุทธเจ้าและได้ทรงพยากรณ์จึงไม่ไปทุกกติแต่นี่เราเจอพระพุทธเจ้ายัางเจอไหมเจอแล้วถ้าใครไม่บอกว่ามันยังไม่เจอพระพุทธเจ้าให้กลับไปบ้านแล้วไปดูสานองสวีนบ้าน อ๋เออให้กลับไปที่บ้านแล้วเอาสำเนาทะเบียนราชมาดูว่าชื่อนามสกุลนี้นับถือศาสนาอะไรถ้านับถือศาสนาพุทธแสดงว่าได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ตัว ใบที่สี่ไม่ใช่ตัวอันที่สี่เนี่ยในตัวนี้ก็คือความเพียรมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดความไม่ดีทีนี้ไอ้การกำจัดความไม่ดียากวะ <Yeah. S 1> ฮะยากไหม <Yeah. S 1> เบื้องต้นเหมือนเราซักผ้าเละนะ สิ่งที่เราจะต้องมีคือเราจะต้องรู้ว่ามันอะไรคือความไม่ดีเหมือนเราซักผ้าเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งสกปลกอ้าวใช่ไหมอะไรคือสิ่งโสกปลกที่มันเกาะเสื้อของเราเราก็ลองขยี้ไปดูขยี้แล้วไม่ออกก็ต้องหาผงอะไรผงซักฟอกหานำยงนำยาหยอดหยอดแล้ว็ยี้ดูออกไหมยังไม่ออกก็ต้องหาวิธีอีก ไอ้นคนที่สักผ้านั้นตราบใดที่สิ่งสกปรกเกาะอยู่ที่ผ้าของตนแล้วมันยังไม่ออกก็จะต้องหาวิธีในการที่จะกาจัดสิ่งสกปรกนั้นให้ออกให้ได้นี่เรียกว่าอารัฐวิริโยมีความเพียรบากบันมุ่งมัน่นอย่างนั้นนั่นะนั่นแหละอารัฐวิริโยส่วนผู้ที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยเขาเรียกกุสี่โต กไกสระอูสเสือสระอีสระโอต่อเต้ากุศีโตหรือพุทธมดาว่ากุศีตะแปลว่าอะไรแปลว่าเกียรครานแต่ว่าหางเสียงยาวๆหนักๆเกียร์ครานหางเสียงยาวๆหนักๆครานมากไอ้เกียรครานหางเสียงยาวๆหนักๆในนอกจากเกียร์ครานแล้วก็คือนอนด้วยไม่เอาด้วยอะไรหลายๆอย่าง ทีนี้ในในอารัวิริโยนี่แหละจากจากตัวที่เราจะเดินไปสุคติสวรรค์พรนิพพานนี่แหละตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักพระพุทธเจ้าแต่กำลังศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าอาจจะไม่พอที่จะทำให้ฮิริเกิดและตอนนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่าฮิริความละอายแก่ใจความละอายต่อการทำความไม่ดี แต่อาจจะมีกําลังไม่พอในการที่จะหยุดยับยั้งความไม่ดีในบางครั้งที่มันเกิดตอนนี้เชื่อว่าทุกคนมีโอตรปะคือความเกรงกลัวความสะดุ้งกลัวต่อความไม่ดีที่เกิดขึ้นต่อตนแต่มันมีกําลังไม่พอที่จะกําจัดความไม่ดีอันนั้นให้ออกไปจากตนได้ตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนมีอารัฐวิริยะคือมีกำลังมีความเพียรมุ่งมั่นในการที่จะกําจัดความไม่ดีออกไป แต่มีกำลังไม่พอที่จะกำจัดความไม่ดีอันนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากำลังอ่อนอินทรีย์อ่อนใช่ไหมด้วยเหตุนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเส้นทางสายของธรรมชาติอันเป็นคุณชาติจึงสอนเรื่องอะไรจึงสอนเรื่องอะไรเรื่องการจเจริญสติ จึงสอนเรื่องการพัฒนาจิตสอนเรื่องการภาวนาเพื่อพัฒนาสติสมาธิและปัญญาอันเป็นกําลังสําคัญของจิตกาลังสําคัญของจิตที่ชื่อสติสมาธิปัญญานี้เมื่อมีอยู่ที่ใจพัฒนาขึ้นแล้วจะทําให้อะไรจะทําให้กําลังคือความเพียรเพิ่มขึ้นกําลังคือรีโอตปะเพิ่มขึ้นกําลังคือศรัทธาจะมีเกลียวข้อมวดที่แน่นแฟน้นมีกําลังเพิ่มขึ้น เมื่อสติสมาธิและปัญญามีกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรมันจะแยกมันจะมีกําลังในการที่จะแยกจิตของเราออกมาจากคําว่าความไม่ดีเป็นเบื้องต้นก่อนเราจะเห็นความไม่ดีที่เกิดขึ้นที่จิตของเราได้ง่ายนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายะดิงอ่ะจิรังบายยะดีวาติดทั้งนี่สินโดอุตวะสยังโยวิตตะกงังวิตตะเกติปาเปกังเคหานิสิตัง ว่าเรายืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามนอนคือยังไม่หลับนะไม่ใช่นอนแล้วหลับไปแล้วนะนอนคือทีนี้คือคือที่ยังนอนตื่นอยู่อะเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามความคิดอันเป็นอกุศลหรือความคิดอันเป็นบาปความผิดอันไม่ดีหรือความไม่ดีที่เกิดขึ้นที่ใจ อันอาศัยกายนี้แล้วก็เกิดความไม่ดีขึ้นในขณะในขณะในขณะที่เราเดินอยู่ในขณะที่เรายืนอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่หรือขณะที่เรานอนอยู่มันมีความไม่ดีเกิดขึ้นเราเห็นถ้าเราเห็นความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสยบมันไวพระพุทธเจ้าเรียกวิตกังสมายตวานะสยบความไม่ดีอันนั้นให้มันบําราดพินาดย่อยยับไป โดยมันไม่มีกำลังที่จะดึงใจของเราเข้าไปเป็นอยู่ใต้อำนาจของมันเราทำแค่นั้นได้เนี่ยทำแค่นั้นได้นหีหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติชั้นเยี่ยมปัญหาคือเราไม่เห็นเราไม่เห็นความไม่ดีเพราะกว่าเราจะเห็นเป็นยังไงไปสอนอแล้ว กว่าเราจะเห็นมันสาเร็จเป็นอากุศลกรรมไปเรียบร้อยแล้วกว่าเราจะเห็นออมันจบไปแล้วมันเร็วมากเพราะสติสมาธิของเราอ่อนมันจึงเร็วมากด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมจึงเกิดขึ้น แท้จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะถ้าพูดในลักษณะนี้คือการฝึกฝึกเพื่อการจเจริญสติสมาธิและปัญญาให้กองแห่งสติที่ในจิตเรามีกําลังเพิ่มขึ้นกองแห่งสมาธิคุณสมบัติที่ชื่อว่าสมาธิในจิตเรามีกําลังเพิ่มขึ้นกองที่ชื่อว่าปัญญาในจิตเรามีกําลังเพิ่มขึ้นเมื่อสามอย่างนี้มีกําลังเพิ่มขึ้นแล้ว จะสามารถมองเห็นความไม่ดีนั้นได้พอมีสิ่งมากระทบเกิดความไม่ดีขึ้นกําลังของสติสมาธิและปัญญาเนี่ยจะกันจิตออกจากความไม่ดีนั้นและจะมองเห็นความไม่ดีที่เคลื่อนไหวตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วเอามันให้สนิทคือเอาให้มันตายไปเลยไอ้ความไม่ดีที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งความโกรธเกิดขึ้นปั๊บสติสมาธิจะกันจิตออกมาแล้วก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นปุ๊ป พระพุทธเจ้าว่าสังกับปานังวสานุคโคไม่ให้ความคิดไม่ดีนั้นเป็นไปในอำนาจของจิตหรือไม่ให้จิตอยู่ในอำนาจของความไม่ดีนั้นกันออกมาใช้สติสมาธิกันออกมาพะกันออกมาเสร็จแล้วก็มองเห็นความโกรธที่เกิดอยู่นั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่และจนมันดับไปพอดับไปปั๊บจิตเกิดความสงบขึ้นมาแทนจิตเหมือนร่างกายของเราความโกรธความไม่ดีก็เหมือนกับสิ่งที่มีน้ําหนักวางปั๊บอยู่บนบาของเรา ถ้าเมื่อใดที่เราไม่รู้ไว้นี่คือความไม่ดีนะนี่คือของที่วางไว้อยู่่าเราเข้าใจว่ามันเป็นของเราใช่ไหมเราก็กอดมันยึดแน่นไอ้นี่ก็ทองคำสองกิโลไอ้นี่ก็อย่างหนึ่งไอ้นี่ก็อย่างหนึ่งเวลาเดินไปไหนนี่ขากลางหลังโกงแล้วแต่ยังรู้สึกว่าของกูของกูอยู่นั่นเลยแต่แต่พอเรามีกําลังปั๊บมันมองเห็นน่ะพอมองเห็นปั๊มันกันออกมามันยังอยู่เลยนะมันยังอยู่แต่มันไม่มีอํานาจเหนือจิต ไม่มีอำนาจในการที่จะครอบคําจิตไอ้อยู่ใต้อำนาจของมันอืมเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมองเห็นความเป็นจริงของความโกรธของกิเลสชาติที่เกิดขึ้นอยู่ที่จิตมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรากันจิตออกมาและดูมันอยู่ชั่วระยะชั่วคราวหนึ่งก็จะเห็นมันหายไปมันหายไปคือมันดับไปมันดับไปก็จิตก็จะเบามันเราถืออย่างเงี้ยพอเราวางปับ๊บมันก็เบาลง ตอนมันอยู่เราเรียกหนัก อ, อกหนักใจเคยได้ยินไหมเวลาเราโกรธใครสักคนเรายืนทําอะไรไม่ได้เป็นไงมือก็จะกําปลายมือก็เกรงปลายเท้าก็จะจิกยิ่งมันปรุงแต่งลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเหมือนกับไอ้ข้าศึกที่อยู่ข้างหน้าเราเหมือนมดเหมือนแมงที่จะเหยียบขย่ําขยี้มันเละไปคาตีเลยใช่ไหมมันปรุงอยู่ก ข, ขนาดนั้นแต่เราไม่ยอมอยู่ในอำนาจของมันพระเจ้าบอกว่าสังกัดปานาังวสานุก ข, ข อ, อยากไปอยู่ในอำนาจของมัน มิตตังสมา ย, ยิตวา่าเอามันให้สงบเอาให้มันพินาศไอ้ความโกรธเนี่ยไม่ใช่เอาสิ่งที่ถูกโกรธให้พินาศนะเอาความโกรธที่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยให้มันพินาศถ้ามันพินาศได้มันดับไปปุ๊บจิตเราที่ที่กำลังถูกความโกรธขยี้อยู่ขณะนั้นมันก็จะเบาโล่งอาการที่มันเบาโล่งจากการที่กิเลสชาติที่เกิดในใจเราดับนั่นแหละเรียกว่าความสงบและความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่กิเลสชาติมันดับ โดยการรู้และการพยายามของเรามันจะเกิดความยินดีความยินดีในความสุบอันนั้นพระพุทธเจ้าเรียกธรรมชันทะตรัสว่าวิตกูปสเบรโตคือยินดีในความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ความไม่ดีมันดับอืมถ้าเราไม่พัฒนาสติไม่พัฒนาสมาธิไม่พัฒนาปัญญา ยากเรียกรวมรวมว่าถ้าเราไม่พัฒนาจิตไม่ภาวนาไม่มีทางหรือเราไปพัฒนานั่นแหละแต่เราไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่มีทางเพราะสติสมาธิและปัญญามันตั้งขึ้นมาไม่ได้ถ้าตั้งขึ้นมาไม่ได้เราจะไปนั่งให้มันก้นเน่ามันก็ไม่ได้เราจะไปเดินให้เท้าแตกมันก็ไม่ได้ ในอดีตสมไมพระพุทธเจ้าอยู่มีพระที่นั่งเป็นวันเป็นคืนเดินเงินเป็นดืนเป็นเป็นคืนเป็นเดือนเดินจนเท้าฉีกเท้าแตะก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าได้สติได้สมาธิปัญญาเมื่อมันเห็นความไม่ดีเกิดมันไม่ให้จิตอยู่ใต้อํานาจความไม่ดีนั้นอ้าวเมื่อทําได้อย่างนี้แค่จิตมีความ มีสติสมาธิและปัญญาพัฒนาขึ้นมานระดับที่มองเห็นว่าความไม่ดีเกิดขึ้นและแม่จิตอยู่อำนาจจุดกระทั้งความไม่ดีนั้นดับไปต่อไปสิ่งที่มีทั้งหมดศรัทธาฮิริโอตะปะอารัะวิริยะและปัญญามันจะมุ่งไปที่ไหนอ้าวศรัทธาต่อไปนี้โลกอยากเชื่อพระเจ้าที่มันเ่มันมันมั น, มนไม่ต้องนับแล้ว เพราะมันอยู่บนขบวนรถแล้วศรัทธาคือความเชื่อตัวนี้มันเลยเชื่อเรื่องของอะไรเรื่องของความดีมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความดีและละความดีนี่ศรัทธาตัวนี้มันจะเปี่ยนแล้วมันจะเชื่อแล้วและถ้ามันมีความไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตมันจะเกิดความละอายมากเหมือนเรารักความสงอาดเชื่อที่เราซักมาอย่างดีรีดอย่างดีแล้วโโหสวยงาม แล้วอ ย, อยู่ๆมีไข่จิ้งจกหยดตึ๊กลงมาเรารู้สึกยังไงนั่นแหละอาการที่ความไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตเราเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเราจะรู้สึกละอายเราเรารู้สึกเสียดายเรารู้สึกกลัวความไม่ดีนี้ชิงชังมันดังเกลียจมันไอความไม่ดีที่เกิดขึ้นเหมือนกับเราดังเกลียจไข่จิ้งจกตกหยดในเสื้อผ้าที่เราซักมาอย่างดีสะอาดนั่นแ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะความเชื่อก็ดีความละอายก็ดีความเกรงกลัวก็ดี มันจะมุ่งลงไปที่ความดีและความไม่ดีพวกนี้กาจัดความไม่ดีและก็สร้างความดีสร้างในสิ่งดีขึ้นมาอา้าวทีนี้เมื่อพัฒนาอย่างนี้พัฒนาสติไปเรื่อยต่อไปตัวปัญญาวาโหติปัญญาในเบื้องต้นก็รู้เห็นแยกออกอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็ทําสิ่งดีกําจัดสิ่งไม่ดีนี่แรกแรกเริ่ม แต่เมื่อพัฒนาสติและสมาธิและปัญญานี้ต่อไปด้วยปัญญาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไปเห็นความชัดเจนความสว่างเห็นสัจจะเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดปัญญาก็จะเข้าถึงญาณทัศน์นะไปถึงญาณทัศนะปัญญาที่โตมากับสมาธิโตมากับสติโดยมีความเพียรมีศรัทธา ที่ถูกต้องมานี้ปัญญาตัวนี้จะไม่จะไม่หลุดขั่วออกไปแล้วในที <c oughs> <São> ่ส <med> ุดเขาก็จะเห็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดเป็นญาณทัศนะก็ลองลงนึกภาพดูถ้าใจของเราในขณะนี้เนี่ยมีความเชื่อในความดีมุ่งมั่นในกําจัดความไม่ดีเกิดความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราจะมีความละอายมันเกิดความละอายขึ้นมาเป็นอัตโมติก มันเกิดความละอายเป็นออโตเมติกมันเกิดความกลัวเป็นออโตเมติกจิต ท, ที่เป็นสภาพขนาดนี้มันจะเป็นยังไงมันจะใสมันจะสะอาดใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็จะสว่างด้วยอุหน้าของปัญญาบ้าก็เกิดเป็นญานนณทศนัมองเห็นอะไรการเกิดและการดับของสภาวะเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณหรือของสิ่งที่ปรากฏเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏมันมีกำลังพอที่จะให้เห็นสิ่งเป็นจริงเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงก็คือเกิดแล้วก็ดับนั่นคือความสว่างของจิตที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจากที่พูดมาตั้งแต่ต้นบนรถไฟขบวนนี้เป็นไงบนรถไฟขบวนนี้สิ่งที่เราจะต้องปลูกขึ้นมาเป็นตัวแรกคือศรัทธาในในใครในพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่พอที่จะทำให้จิตมันเกิดความละอายต่อความชั่ว เชื่อในพระพุทธเจ้าไม่พอในการที่ทำให้จิตมันเกรงกลัวต่อความไม่ดีต่ออกุศลเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่พอที่จะให้จิตของเรามันมีความเพียงพยายามในการที่จะกำจัดความไม่ดีออกไปจากจิตเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่พอในการที่จะทำให้จิตมันตื่นขึ้นมารู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์และอะไรคือความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏ ถ้าเราเชื่อแล้วไม่เกิดสิ่งตอนนี้ความเชื่อของเราก็ไม่ใช่ความเชื่อที่อยู่ในเส้นทางนี้เนาะอความเชื่อเราจะไม่อยู่ในเส้นทางนี้ยากไหมยากไหมความยากไหมถ้าตั้งใจฟังลําดับมาเป็นลําดับเป็นลำดับมันไม่ยากนะควังทันไหมรู้ใช่ไหมเออ ฉันเช่นทางที่ว่านี้ให้ชื่อวันนี้ว่าสัมโพติมุตไม่ใช่ตั้งเองนะว่าไปตามที่พระพุทธเจ้าจะเรียกเพราะพระพุทธเจ้าว่าจิรังวายาดิวัติตั้งนิสินโดอุดาวาสายังโยวิตกังวิตกเกติปาเปกังเคานิสิตังกุมมังปฏิปันโดโซโมหเนยเยสุมุชิโตอภพโพตาดิโซบิคุพุดทุ่งสัมโพมติมุตตมัง เนี่ยไอ้สัมโพธิมุตต์ก็มาจากเนี่ยท่านว่าไม่ว่ายืนเมื่อกยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามความคิดอันเป็นอกุศลอันใดซึ่งอาศัยกายนี้เกิดขึ้นหมายถึงมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเกิดขึ้นที่ใจของเรานะไม่ใช่ความคิดอันไม่ดีที่เกิดที่คนอื่นนะความคิดอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นที่จิตของเราเกิดขึ้นที่จิตของเราแล้วมันปรุงแต่งมีอานาจแล้ว กุมมักคังปฏิปันโนโซผู้นั้นชื่อว่าเดินผิดทางโมหะเนยเยสุมุชิโตและเมื่อเดินผิดทางแล้วมันเกิดขึ้นสำเร็จหนึ่งครั้งโมหะเนยเยสุมุชิโตมันยิ่งนำพาจิตเรากดจิตของเราให้มันชุ่มแช่มมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นาธาตุของโบหะนั่นเห็นชัดแหมล่ะทีนี้โมหะเนยเยสุมุชิโต โมหะโมเนยเยซูสิโยหมายความว่าหมกมุ่นชุมแช่จมอยู่ในอารมณ์อันเป็นธาตุของโบหะก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันสําเร็จเป็นความคิดไม่ดีเป็นอกุศลเกิดขึ้นหนึ่งครั้งที่ใจของเราเราโกรธคนนี้ลุกขึ้นไปตบปั๊บสาเร็จไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่ผิดทางอย่างเดียวนะแต่มันหมายความว่าจิตเรากําลังหลบ มกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์อันเป็นขี้ข้าของโบหะโบหะจะมีอำนาจหุ้มห่อจิตของเราเราจะยิ่งดิ่งดำมืดลงไปในทะเลของวัตฏะจะยิ่งห่างเส้นทางที่สำคัญนี้ออกไปอภพโตดีโซพิโกพุทธทุ่งสัโพธิมุตตังผู้นั้นชื่อว่าไม่สมควรที่ดำเดินอยู่ในเส้นทางที่ชื่อว่าสมโพธิมุตอ่า เส้นทางสัมผูธิมุตคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าคุนพบและนำมาสอนนะทีนี้ท่านว่าอีกโยจิรังวาปิติดทั้งวะนิชินโดอุดวาสนยังวิตกังสมยิตตะวานักวิตตะคูปัะสะเบรโตพภโอตาดิโซภิกขุพุทธถุงสัมผูธิมุตตะมังส่วนผู้ใด เมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นและสยบความคิดไม่ดีนั้นได้มีจิตยินดีในความสงบอันเกิดขึ้นจากความไม่ดีนั้นดับไปผู้นั้นชื่อว่าดำเดินอยู่ในเส้นทางสมควรที่จะได้เรียกว่าผู้ดำเดินอยู่ในเส้นถูกต้องสัมโพธิมุตนั้นเส้นทางที่ว่านี้ตั้งชื่อว่าสัมโพธิมุตตามพระพุทธเจ้าอันี้ที่บรรยายให้ฟังเนี่ยก็คือ ชี้แจงอาธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องเสบให้มันคุ้นกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะปรับจิตของเราให้มันถูกต้องในชีวิตประจำวัน <c oughs> อ่ะต่อไปเอามาดูต่อ ตรงอารัทธวิริโยวิหรติเมื่อกี้ตรงความเพียรบากบันในการที่จะเห็นทรงตรัดบ่อยมากปัจจัโตนติกินยนังผู้ที่เห็นอยู่จะไม่มีความกังวลแต่การเห็นนี่แหละมันยากอ้าวเมื่อกี้บอกว่าการเห็นต้องอาศัยอะไรสติสมาธิปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าทิ้งเราไหมไม่ทิ้งเพราะว่าเมื่อบอกว่าสติสมาธิปัญญาแล้วหลังจากนั้นพระองค์สอนเรื่องอะไร จเจริญสติที่เราเรียกว่าภาวนาเราไปเดินจงกรมที่วัดไหนก็ช่างสำนักไหนก็ช่างแต่การเดินจงกรมของเรานั้นเพื่อจเจริญสติสมาธิและปัญญาเราจะไปนั่งสติสมาธิที่สำนักไหนก็ช่างวัดไหนก็ตามที่บ้านก็ตามที่บ้านมีตั้งในครัวห้องนอนห้องอาหารห้องน้ําสุดแท้แต่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราชื่อว่านั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเป็นการจเจริญสติสมาธิปัญญาใช้ได้หมด เพื่อมาส่งเสริมการรู้เห็นตามความเป็นจริงมันพระเจ้าไม่ทิ้งนะพระเจ้ามีพระคุณต่อเราเหลือเกินนอกจากชี้บอกอธิบายอย่างที่จะมาให้โยมเข้าใจในรายแรกว่ามันการเห็นไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากรู้แล้วแหละถ้าเห็นนะจะเปรียบเทียบว่าเหมือนเสื้อผ้าที่มันมีสิ่งสกปรกมาติดเราจะพยายามหาทางซักขยีให้เอาสิ่งสกปรกนั้นออกไปให้ได้แต่จิตเรามันไม่ใช่เสื้อผ้าเราไม่เห็น กว่าจะเห็นอีกทีมันจบไปแล้วอ้าวกว่าจะเห็นอีกทีมันตกกันไปแล้วกว่าจะเห็นอีกทีมันขึ้นศาลแล้วกว่าจะรู้อีกทีงมจ่ายค่าปรงค่าปรับไปแล้วกว่าจะเห็นอีกทีงงติดคุกติดตารางแล้วมันมันไม่ทันสาหรับการเห็นทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ทิ้งเราไว้แค่นั้นนะสอนต่อออกมาอีกว่าเราจะต้องเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อให้มีกําลังต่อการที่จะเห็นและรู้ทัน เพราะฉะนั้นเราจึงมีการเจริญสติด้วยด้วยการภาวนาด้วยการภาวนาตามหลักของอะไรสติปัฏฐานการเจริญสติถ้าหลุดออกจากหลักของสติปัฏฐานทั้งสี่ใช้ได้ไห ม, ไมไเป็นมิจฉาสติหมดเป็นมิจฉาหมดเพรา ะ, ะนั้นการเจริญสติจะต้องอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสคืออกายนี้เป็นสี่ฐาน แล้วสติมาตั้งอยู่ในสี่ฐานของกายนี้ฐานใดฐานหนึ่งแล้วสอนละเอียดไหมละเอียดหมดเลยมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาโดยเฉพาะสอนอะไรก่อนกายานุปัสสนาก่อนเพราะง่ายตั้งง่ายและเมื่อใดที่สามารถติดตั้งที่กายได้ก็จะตั้งได้ทุกฐานนี่ข้อแปลของสติที่พัฒนาแล้ว เมื่อใดที่สติตั้งในฐานที่กายได้ก็จะตั้งได้ทุกฐานในฐานกายพระพุทธเจ้าสอนไว้กี่อย่างอะไรบ้างสอนไว้หลายอย่างอย่างแรกสุดทรงสอนเรื่องอะไร<า>ในเรื่องฐานกายก็คืออาณาปานาสตินี่พวกเรามันน่าชื่นใจจริงนะเราเก่งทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติกันทุกคนเลยถามทางปฏิบัติก็ตอบได้ถามทางปริยัติก็ตอบได้เอออย่างงี้ ยังชั่วหน่อยฐานแรกเลยที่พระเจ้าสอนคือฐานกายฐานกายมีอาณาปานสติใช่ไหมเป็นเรื่องต้นซึ่งเราก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดทุกเดือนเว้นไว้แต่เดือนเบษาซึ่งนับจากนี้ไปก็การฟังทมก็พอสมควรทีนี้เราก็จะภาวนากัน